ได้ทั้ง8ชฌานพูดอย่างอาภิธรรมก็เข้าได้1 5. นถะึงาเพราะฌานที่1 2 3 4สาที่พวกเรารู้จักเนี่ยทางอาภิธรรมเอาไปแยกเป็น5เป็นหนึ่งสาี่หบรรดาอรูปฌานที่เหลือทั้ง4นะอากาศานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญาญตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะสีนะ่อย่างเอาเข้าจริงก็คือฌานที่4ของพระสูตรคฌานที่5ของอภิธรรมนั่นเอง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 แล้นถ้าพ่อเขาเห็นกายแตกดับไปแล้วนะให้เข้ามารู้ทันใจตัวเองต่ อ, อเมื่อใจสงบก็รู้ใจฟุ้งซ่านก็รู้ใจสุขใจทุกข์ก็รู้แล้วให้ดูใจต่อไปเมื่อนะูกมาอยู่วัดเนี่ยจะขอการบ้านหลวงพ่อนะคะอย่าไปกดไปน ะ, ะยังบังคับตัวเองอยู่ อ, อย่าไปกดไว้ปล่อยให้จิตทํางานอย่างอิสระแล้วก็คอยรู้เอายังบังบคับอยู่นะรู้สึกไหม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 มารู้กายมาอย่างนี้นจะเป็นการประคองหรือเพ่งไหมเจ้าค่ะก็หนีมันไงนะให้รู้ไม่ใช่ให้หนีนะเจ้าค่ะแต่ถ้าจิตมันถอยมารู้กายเองก็ไม่ว่ามันเจ้าค <ie> ่ะเพราะเราสั่งไม่ได้ว่าจงรู้จิตตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้เจ้าค่ะ <perimeter. S 1> ขอการบ้านเพิ่มด้วยเจ้าค่ะไปทําอีกนะแล้วอย่าไปบังคับตัวเองกดแรงไปเจ้าค่ะนะต่อไปเบอร์ร้อยสิบเจ็ดเชิญยกมืออ๋อปรีชานี่เองหมูนี่ปรีชามาได้บ่อย มาเจอสาวสวยในวัดหรือเปล่าบางคนมาวัดเนี่ยแบบมีเลดไหนยนะไม่มีครับว่าไงก็ส่งกันบ้านหลวงพ่อสดท้ายเดือนสองเดือนได้แล้วฮะตอนนั้นหลวงพ่อบอกว่าจิตมันติดจะเออเออออกมาฮะก็ช่วงนี้งานมันค่อนข้างจะมีปัญหานิดหน่อยฮะก็เลยแต่ว่ายังไม่ได้ทิ้งที่หลวงพ่อให้กันบ้านว่าต้องไปเดินทุกวันฮะก็ยังทําอยู่ก็รู้สึกว่าเห็น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 หลวงพ่อบอกว่าดีเลยคึกเลยเห็นมเห็ใจเป็งซารู <S <S <c oughs> <f ungs i> ้ไปค่ะ <c oughs> เอาเบอร์59 <c oughs> อยู่ที่ไหนกี่กับนวัตการค่ะหลวงพ่อคือหนูก็ฝึกดูจิตอยู่ค่ะแล้วก็มีบางคราวนั่งสมาธิแล้วก็มาดูจิตบ้างค่ะ <c oughs> อะไรบ้างนะนั่งสมาธิแล้วอะไรนะค่ะนั่งสมาธิแล้วก็มาดูสภาวะจิตนะคะ